บุกทูหกสิบสี่สามุตอทริสามุตอทิการปฏิเสธหนึ่งอาร์กปาปิรเอลิอร์ก า, เ อ, อกาเอร์ิผมไม่เข้าใจคำสับ ลอาอซมลโลอาเมผมไม่เข้าใจประโยคอกอส d ิน e ด, ดา เ, า เ, เ ด, ดบเเผมไม่เข้าใจความหมายมอาเม ม, ม ล, ลบ เมอาร์เมนลโลคุณครูซคุณเข้าใจคุณครูไหมครับ s คสเมทมัสซ์เอา m ลเปครับผมเข้าใจท่านดี เมมิสิอาเมสมีมสิกอาร์กัดเมสมิสคุณครูมัสซา เ, เวเลเบลีคาลีคุณเข้าใจคุณครูไหมครับเกสมิทมัสซาเวเบลเกสิ มาสเลครับผมเข้าใจท่านดีเดเมมซีาร์กาดเมสมสดเมมซีอาร์กาดเมสเสผู้คนคาลคีคาลคีคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ คือมิดขัลคิสไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับอะไรเมมาทีอิเซการ์กัดอาร์เมสมิสอะไรเมมาทีอิเซการ์กัดอาร์เมสมิสเพื่อนหญิงแฟน เมบรโกกเมบาริโกโกคุณมีแฟนไหมกอาวต์เมกบาริโกโกกาว์เมกบาริโกโกครับผมมีเดียรมก้าวส์เดียมก้าวส์ลูกสาว คาลิวลีคาลิลีคุณมีลูกสาวใช่ไหมกา์คาลิวลีกา์คาลิวลีไม่ผมไม่มีลูกสาวอาอาร์มควอสอาอาร์มควส